จากผู้เขียนธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องความหลงในสงสารเป็นธรรมนิยายอิงประวัติชีวิตของพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบราจารหลุงพ่อจรันทิตธรมโมซึ่งในเรื่องคือพระครูเจริญทิตธรมโมเหตุการณ์ในเรื่องความหลงในสงสาร เป็นช่วงที่พระเดชพระคุณสมัยที่ยังเป็นพระครูภาวนาวิสุทธ์ได้พบกับหลวงพ่อในป่าและพระภิกษุสมเด็จพระเจ้าตักสินซึ่งพระคุณท่านได้เล่าให้ข้าพเจ้าและนักศึกษาที่ข้าพเจ้าพาไปเข้ากรรมฐานที่วัดอัมพวันฟังเมื่อยีสปีก่อนเมื่อพระคุณท่านเล่าจบได้กำชับข้าพเจ้าว่าอย่านําไปเล่าให้ใครฟังข้าพเจ้าก็รับปาก หาก็คิดในใจว่าไม่เล่าเจ้าค่ะแต่จะนำไปเขียนจริงรอเวลาที่จะเขียนซึ่งมันได้โอกาสเมื่อเรื่องวัตจักชีวิตจบลงความจริงเรื่องสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชผนวดเป็นพระภิกษุเป็นที่ทราบในหมู่พระอริยะเจ้าหลายองค์เท่าที่ข้าพเจ้าทราบมีหลวงพ่อชาหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อโ ง, งนและหลวงพ่อฤาษีลิงดา ซึ่งข้าพเจ้าเคยไปกราบนมัส ก, การมาแล้วทุกพระองค์ขณะเขียนเรื่องความหลงในสงสารพระอริยเจ้าทั้งสองค์ท่านละสังขารแล้วน่าแปลกที่ว่าก่อนจะเขียนได้มีกาลยนามิตรที่เป็นลูกศิษย์บ้างท่านผู้อ่านบ้างมิสหายบ้างมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชโดยเฉพาะอาจารย์อุทุมพรมูนพรม ได้ถ่ายเอกสารหนังสือของหนุ่มพ่อฤษีลิงดำวัดท่าสุ่งมาให้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเขียนมากบทสนทนาระหว่างสมเด็จพระเจ้าตักสินกับสมเด็จเจ้าพระยามหากริย์ศึกข้าพเจ้าก็คัดลอกมาจากหนังสือเล่มนี้ลูกชายของข้าพเจ้าพูดขึ้นในวันหนึ่งว่าแม่ไม่กลัวนักประวัติศาสตร์ลุกขึ้นมาประท้วงหรือ ที่ไปเปลี่ยนประวัติศาสตร์เขาเขาพรเจ้าบอกลูกว่าเขาพเจ้าเขียนจากประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ซึ่งเขาพเจ้าเชื่อมั่นว่าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็เขียนในรูปของนิยายคงไม่มีใครมาประท้วงหรือหากมีก็คงต้องบอกว่าอย่ามาเอานิยายอะไรกับเขาพเจ้าเลยเขาพระเจ้าเพิ่งเข้าใจว่าเหตุใด พระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงให้เขียนเป็นนิยายแทนที่จะเขียนเป็นหนังสือหรือตำราเมื่อความหลงในสงสารตีพิมพ์ในกุลสตรีได้ประมาณ 5-6 ถึงบทมีท่านผู้อา่านโทรศัพท์มาเมื่อวันที่24ตุลาคม2547บอกว่าให้ช่วยมารับเงินบริจาคจำนวนหนึ่งแสนบาทเพื่อนำไปพิมพ์รวมเล่ม และถวายตามวัดต่างๆข้าพเจ้าปฏิเสธไปว่าไม่มีเวลางานยุ่งมากขอให้เก็บเงินไว้ก่อนอีกตั้งสองปีจึงจะพิมพ์รวมเล่มได้สาเหตุที่สุภาพสตรีท่านนั้นประสงค์จะเป็นเจ้าภาพพิมพ์ถวายวัดคือดิฉันรักสมเด็จพระเจ้าตากสินรักหลวงพ่อในป่ารักหลวงพ่อจรัอ่านแล้วถึงกับน้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้ง ข้าพเจ้าก็สรารภาพว่ามีความรู้สึกอย่างเดียวกันถึงขนาดเขียนไปร้องไห้ไปด้วยความรู้สึกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุดข้าพเจ้าประทับใจที่พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงให้ความสําคัญกับพระพุทธศาสนาทําให้เกิดความภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา สรุปว่าข้าพเจ้าต้องนัดพบผู้อ่านท่านนั้นและได้ไปรับเงินหนึ่งแสนบาทจากท่านมาใส่บัญชีไว้ขออนุโมทนาบุญกับคุณอรัญญาองค์วิเศษที่มีกุศลจิตจะช่วยเผยแผ่พระศาสนาและเมื่อรวมเล่มข้าพเจ้าก็ร่วมบริจาคสมทบอีกห้า0มื่นบาทเพื่อถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ม่อเป็นธรรมะบรรญการแด่สิยานุสิท์ที่มาเข้าโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานระหว่างวันที่4ถึงวันที่11สิงหาคม2549เพื่อถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจาร์พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้จาริกไปนมัส ก, การสังเวชนียสถานณประเทศอินเดียในปี2528 และกลับมาเล่าว่าโยมคนหนึ่งได้ดวงตาเห็นธรรมขณะสวดพระธรรมจั ก, กปรปวัตตนสูตรที่ทำเมตขะสถูปเจดีแต่ท่านไม่ได้บอกชื่อโยมท่านนั้นข้าพเจ้าจึงสรุปเอาเองว่าจะต้องเป็นโยมเสงย์ใจบุญซึ่งพัญญาของท่านคือโยมของสีใจบุญแต่ในเรื่องข้าพเจ้าเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็น โยมห่องใสใจบุญชื่อพระภิกษุหนุ่มสามรูปเป็นชื่อสมมุติและไม่มีตัวตนหลวงพ่อวัดดอนเมืองข้าพเจ้าไม่รู้จักท่านมาก่อนเพิ่งมารู้จักตอนนี้ใหญ่เรื่องนี้ใกล้จะจบพระเจริญซึ่งเป็นมัคุเทศปัจจุบันคือพระอาจารย์ด็กเตอร์จรันทิตธรรมโมซึ่งชื่อและฉายาเหมือนกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อส่วนแม่ชีปวน นายไกรูและนายทุกโขมีตัวตนจริงแม้ทีป่วนปัจจุบันอายุร่วม8ปสส่วนสองพ่อลูกเสียชีวิตไปหลายปีแล้วนายไกรูตายเพราะโรคชะานายทุกโขตายเพราะโรคสุราข้าพเจ้าต้องการให้เรื่องดำเนินไปด้วยดีจึงจัดฉากให้ท่านพระครูสนทนากับพระมหาฉลองด้วยเรื่องของสองพ่อลูก ส่วนเรื่องพัควันข้าพเจ้าไม่ต้องการให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่นับถือแต่ในเมื่อเป็นประสบการณ์จริงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและท่านก็ให้ทุนการศึกษาพระอินเดียรูปนั้นจริงและพระอินเดียก็เล่นกลให้ดูจริงข้าพเจ้าเคยไปพักที่วัดนี้สมัยที่เรียนอยู่ที่อินเดียระหว่างปี2533 ถึง 2,535 แต่จำชื่อวัดไม่ได้เสียแล้วจึงต้องเขียนโดยเปลี่ยนชื่อเมืองที่ภควันอยู่ให้ผิดไปจากความจริงบรรดาพูดนับถือภควันซึ่งในจำนวนนี้มีเพื่อนของข้าพเจ้าหลายคนจะได้ไม่อาฆาตโกรธเคืองข้าพเจ้าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในงานเขียนชิ้นนี้ก็คือได้ทำให้ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ที่ดูลึกลับมากกว่า200ปีโปร่งใสขึ้นคนไทยจะได้รู้ความจริงว่าพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีกับกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่บูรพรมหากษัตริย์และบรรพบุรุษของเราเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ปกปักรักษาไว้ให้พวกเราขอคนไทยจงอยู่อย่างรู้คุณแผ่นดินด้วยเธินสุทษสาอ่อนค้อม19กรกฎาคม2549